สรุปสาระสำคัญของพระไตรปิฎก45เล่มเรียงตามลำดับเล่มสรุปสาระสำคัญในพระวินยัยปิฎกประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินยัยคือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์แบ่งเป็นห้าคัมภีเรียกย่อหรือหัวใจว่าอาปามจุปะ รวมแปดเล่มที่ย่อเป็นอากับปานั้นเนื่องมาจากวิธีจัดแบ่งอีกแบบหนึ่งคือเรียกเล่มหนึ่งมหาวิพังภาคหนึ่งว่าอาธิกรรมมิกับว่าด้วยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัตหนักของภิกษุและเรียกเล่มสองมหาวิพังภาคสองกับเล่มสามภิกขุนีวิพังว่าปาจิตตีว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับอาบัตเบาของภิกษุเป็นต้นไป จนจบสิขาบทในปาติโมกของภิกษุณีอันหนึ่งวินัยปิฎกทั้งแดเล่มหรือห้าคัมภีร์นี้บางทีเรียกรวมกันให้สั้นกว่านี้อีกเป็นสามคัมภีร์คือวิพังหรือสุตตะวิพังเท่ากับมหาวิพังและภิกุณีวิพังได้แก่เล่มหนึ่งสคันธกะเท่ากับมหาวัคและจุลวัคได้แก่เล่มสี่ถึงเจ็ด และปริวานเล่ม8พระตรยปิฎกเล่มหนึ่งมหาวิพังภาคหนึ่งว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมกฝ่ายภิกษุสงฆ์กฎหรือข้อบังคับที่เป็นหลักใหญ่สำหรับพระภิกษุ19ข้อแรกซึ่งอยู่ในระดับอาบัติหนักหรือความผิดสถานหนักคือปา ร, ราชิกสีสังฆาทิเศษส3สและอนิยตะสอง เล่มสองมหาวิพังภาคสองว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมกป่ายภิกษุสงฆ์ข้อที่เหลือซึ่งอยู่ในระดับอาบัติเบาหรือความผิดสถานเบาคือตั้งแต่นิสักิยะปาจิตตีสาจนครบสิกขาบท227หรือที่มักเรียกกันว่าศีล227เล่มสภิกขุนีวิพังว่าด้วยสิกขาบท311อ ของภิกษุณีเล่มสมหาวักภาคหนึ่งว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมก ค, คือระเบียบข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการดำเนินกิจการของภิกษุสงฆ์ตอนต้นมีสีขันธกะคือสี่หมวดได้แก่เรื่องกำเนิดภิกษุสงฆ์และการอุปสมบทอุโบสถจำพรรษาและปะวารณา เล่มห้ามหาวัคภาคสองว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนต้นต่อจากเล่มที่แล้วมีหคันธกะหรือหกหมวดคือเรื่องเครื่องหนังเภสัตว์กถินจีวร น, นิขหกรรมและการทะเลาะวิวาสและสามัคคีเล่มหจุลวัคภาคหนึ่งว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนปลายมีสี่คันธกะ คือเรื่องนี้ขาหกรรมวุฒานวิธีและการระงับอธิกรณ์เล่มเจจุลวัคภาคสองว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนปลายต่อจากเล่มที่แล้วมี8คันธกะคือเรื่องข้อบัญญัติปลีกย่อยเรื่องเสนาสนะสังฆเภทวัดหรือข้อปฏิบัติต่ตางๆการงดสวดปาติโมกเรื่องภิกษุณี เรื่องสังคยนาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเล่ม8ปริวานคู่มือถามตอบซ้อมความรู้พระวินัย